เรื่องพุทธธรรนายความฝันที่เป็นจริงตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมพบโชติบรโยแล้วมันยังไม่จบก็บอกว่าจะไม่รีบไม่ร้อนแต่พยายามเล่งเเรื่องเหมือนกันมันก็จบกลงไปได้เกลียพื้นที่กันใช้เวลาไปตังครึ่งช่วโมงแล้วทุกคนเคยฝันแต่ฝันไม่เป็นจริง ฝันเป็นจริงเกี่ยวกับตนเองแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่บ้านเมืองเกี่ยวกับความเป็นไปในเรื่องราวของชีวิตบางทีมันก็เกี่ยวดองคล้องอย่าเกี่ยวโยงกันเหมือนวันพระก่อนที่เคยเล่ามาแล้วเห้ความฝันต่างๆนา น, นาซึ่งมันเกิดมาจากเหตุต่างๆอาศัยเหตุอาศั ย, ศยปัจไก่ดังกล่าวและวาติโกสุปินังปสัสติฟันพหลมกําเลิบปิติโกสุปินังปัตติฟันพอดีกําเลิบเสมิโกสุปินังปัตติ หวนเพาะเสมหักกาเริบเทวทูประสังหระรโกสุพินังปสัสติฝันเพราะเทวดาสังขรสมุทาจินนตโตสุปินังปสัสติฝันจากประสบการณ์บุพนิมิตโตสุปินังปสัสติบุญบาต ท, ที่ทําไว้แต่ปางก่อนปรากฏให้เห็นในความฝันถูกเลขถูกหวยก็ได้ปะพระสมุทาจินนาตานิมิติโกสิ่งที่สะสมไว้ในในในชาติก่อนๆมาปรากฏเป็นความฝันก็ได้ ท่ามนั้นเราได้พูดกันมาอย่างละเอียดในวันพระก่อนทันที่ติดตามรับฟังอยู่ก็พอจ้ารู้เรื่องวันนี้ก็เลยมาสารต่อแล้วพูดกันถึงความฝันของพระบรมศาสดาก่อนที่จะตัดสู่ท่านก็ยังฝันว่าตนเองนอนคับแผ่นดินหัวหนุนเขาสิเนนุราชฝันว่าอยากคาแทงจากสะดือทะลุฟ้าฝันเห็นนกบินมาจากทิศทั้งสี่สีต่างๆและมาหมอบราบลง เพื่อนพบาศกลายเป็นสีเดียวกันฟันเห็นนอนตัวขาวๆหัวดำๆไตเยือ่เยือกมาตั้งแต่บาดถึงถึงหัวเขาฟันว่าเดี๋ยียืไปเดินไปบนกองปฏิบคูลอุจาระมุดขูดเขา่าภูเขาไม่สกปรกแปกเพื่อนและห่างกับเหล่าให้พระพิสูจน์ทั้งหลายฟังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้ น, น, นเราก็ได้กล่าวกันมาแล้วกล่าวกันมาจนเจ็บจบเรียบร้อยในสบินสูป h a ม m a n a w ปัญจกรนิบาตอังคุตานิกายดังที่เล่ามาแล้ว และเรามาพูดถึงความฝันอย่างในชาดกพระเวทสันดรความฝันของนางมัดสีนางมัตทีก่อนที่ชูชกจะมาขอโลกในคืนนั้นกอฝันว่ามีคนร่างกายกยำยำลำสันคือดาบคมกริบมันปรับแล้วก็ใส่ดอกไม้สีแดงทัดหูมีผ้าสีแดงแดงไม่ใส่เสือ้อเึินมายกตีนกระเทือ ฝากระท่อมอาสมของนางเข้าไปแล้วก็ไปจิกหัวนางลอาออกมานางขอร้องอ้อนวอนชีวิตอินทรีไว้มันไม่ฟังมันตัดแขนแต่ขาควักเอาดวงตาเอาหัวใจเมาขยี้ขยี้และนางก็เตื่นดีเป็นความฝันที่เป็นจริงอีกอันหนึ่ง<ม>ชูโชคได้ไปขยี้ดวงใจของนางในวันรุ่งขึ้นคือไปขอเอาลูกขอดวงตาขอาหัวใจความฝันขพยาสนชัยก่อนที่ชูโชคจะลองทางนาเด็กสองคน เข้าไปหาที่พระบรมมหาราชวังฝันว่ามีคนเอาดอกบัวมาให้สองดอกดอกหนึ่งตุูมๆ ด, ดอกหนึ่งกําลังเย้บานพอรับเข้าไปแล้วเกสรนก็ร่วงพลูกรีบร่วงหล่นลงในอกแล้วก็หอมกลิ่นทั่วพระบรมมหาราชวางังหองวงไปจำราชสํานักได้ทานายว่าจะมีคนสุดที่รักบานดวงตาหัวใจจากไปนานๆจะได้มาพบจะลบเ อ, อาปวนไปด้วยบรรยาการแห่งความรักและความสุขสดชื่น แล้วก็เป็นจริงดังขาดสายมาหน่อยชูโชคก็หลงทางเข้าไปนี่ก็เป็นความฝันอีความฝันของพระพุทธเจ้าความฝันของนางมาทีความฝันของกรุงสีพีเชตุดรของพระเจ้าสนชัยและความฝันของปทนาทิบดีอับราฮัมลิงคอนฝันเห็นบ้านตนเองมีแต่ความเหียบฝันเห็นเสียงสุนัขเห่าฮอนฝันได้ยินเสียงคนร้องห่มร้องไห้นอกจากนั้นก็ฝันเห็นทหารยืนถือปืนเฝ้าลงศพจู อยู่ชั้นล่างของบ้านตนเองถามว่าลงศพของใครมาเดิอนอยู่ทาไมบอกว่าศพของท่านประธานาธิบดีถูกคนร้ายยิงตายพอแก้ฝันตอนเชา้าตอนเย็นมาท่านก็นถูกคนร้ายยิงตายเพราะท่านก็คือตัวประธานาธิบดีเนี่ยไปอย่างนี้แล้ะเราก็เลยมาพูดถึงความฝันของพระเจ้าปัตเสณทิโกสนที่ตัดเอาไว้ในสมัยพุทธกาลและถือว่าเป็นเหตุที่พระพุทธเจ้าได้มาทํานายเกี่ยวกับโลกอาเพศเหตุภัยจะเกิดอะไรขึ้น มีหลักฐานในมหาสุบินชาดกเอกนิบาศคุตตะกนิกายพระไตรปิฎลเล่มที่ยี่สบเจ็ดข้อที่เจ็ดสิบเจ็ดหน้าที่ยี่สิบสี่ฉบับภาษาบาลีสยามรัฐและสุดท้ายพระพุทธเจ้ทาท่านก็นได้บอกว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในขณะนี้หาไม่ได้แต่จะเกิดขึ้นแก่ลงใ น, ในอนาคตแล้วก่อนที่จะมาหาพระพุทธเจ้านั่นพ ร, ระเจ้าปอร์เสนที่โกศลมีความหวาดกลัวยิ่งนักขณพรสยองก้าวนึกถึงความฝันนี้ พวกของรวงประจำราชจะสำนักทั้งหลายก็มาบอกว่าจะเกิดอาเพรศเหตุภัยอาจจะเกิด น, น้ําท่วมหรือไฟลุกท่วมแผ่นดินไว้ภูเขาไฟระเบิดอาจจะเกิดโศกนาฏกรรมสามันตราดต่างนครจุพยุคหะแสนยากรมาช่วงชิงพระราชาอํานาจเสร็จแล้วก็จะเข้นข้าพระบรมวงศานุวงหลังจากนั้นเมืองนี้ก็จะล่มละลายตกอยู่ภายใต้อํานาจของศัตรูอัศกรจะต้องมาแก้แค่จะต้องมาแก้บน บนบ้านทั้งกาวเจ้าถุ่งเจ้าถาเจ้าปลาเจ้าเขาเจ้าแม่กะลีเอาช้างร้อยตัวมา้าร้อยตัวโคร้รอยตัวแพะแกะอย่างละร้อยิ่งไปกว่า น, นั้นเด็กน้อยผู้หญิงผู้ชายอย่างละร้อยลกูกใครก็ตามต้องเอามาตัดคอเอาเลือดบวงสรงบูชาเหตุการณ์นี้ก็จะกลายดีเลยว่าเสียเคาะเคาะมือเข็นเวนมือเสากูแก่กูซาแบบที่คนโบราณบวชมาเป็นทิศเป็นจานใหม่เรียนอะไรแล้ว เท็ออกมาผ่าผาดบาปไปหากินใครเจ็บไข้ได้ป่วยแต่งโคงนา ง, งัวงเคลื่อนถือหนังสือก่อมผ่าผาดบาปไปเสียขอแล้วหลังจากนั้นก่อเป็นผู้ไปทําลายบาสีไปเสียขอสุนันตูพลโตยีเทวาประมาอินทาพมาดุลลาเทวดาเจ้าทั้งหลายจงมาหับเอายังขันฝังคันเทียนเจ้าโศกเจ้าสตาเจ้าเสือเจ้าพานีเถิดว่ากันไปละเสียขอได้เงินไป คนไข่ก็เสียเงินไปสาบายใจไปทํำไมสาบายใจไปก็ตายไปหามไปทิ้งไปเผากันไปแต่คนที่ช่วยโอกาสมันมีอยู่ทุกขณะไม่ว่าโรคนี้เหตุการณ์ใดก็ตามจะเร่าร้อนจะเป็นทุกเลวซ้ำขนาดไหนคนที่ได้ประโยชน์จากเหตุการณ์นั้นย่อมมีเกิดสงครามขึ้นมาก็มีพวกเศรษฐีสงครามขายอาวุธและมีเศรษฐีหลังสงครามขึ้นมาเองแงงก็มี อะไรลองคิดดูเพราะเหตุนั้นเมื่ อ, อาเพนเหตุภัยอย่างนี้เกิดขึ้นไอพวกหมอโหดมันไม่รู้เรื่องอะไรถ้าจะไม่ทํานายเดี๋ยวพระเจ้าอยู่หัวจะเดีโอกาตัดหัวง่ายก็ต้องทํานายไปพระเจ้าเพ่ดินก็ลอกต้องทําตามนั้นเพราะกลัวเหลือเกินกลัวอํานาจจะหมดสิ้นไปกลัวตนเองจะล้มหายตายไปก็ให้เกิดความทุกข์ปริเทวนาการเสียงร้องไห้ระงมไปทั่วทั้งภาราสาวัตถี เสียงของพ่อของแม่เสียงของปู่ย่าตายายของพี่ของน้องร้องไห้แก่ลูกเล็กๆห ล, ล, ล, ลานน้อยๆที่จะถูกเชื่ดคอบูชาจันพนางมัลลิกาตื่นขึ้นมาจากบรรทมกอตอกอกตอกใจถามสนมนารีด้วยความกระดิบจ้นไปหาพระเจา้าโยู่หัวบอกว่าทำไมเราจะต้องมาเชื่อพวกนี้คนอื่นเขาทุกข์ยากลำบากแกตายไปเรเอาชีวิตเราสองคนไว้ทาย่างนั้น เราไปหาพระบรมศาสตร์ตถาสมบัติตามพรพุทธเจ้าดีเชตวันมหาวิหารดีกว่าใครมันจะมาเก่งเกินพระพุทธเจา้าท่านอยู่ตรงนี้ทําไมเราจะไม่ไปถามท่านหวานแล้วก็ได้สติสัมปชัญญะก็เลยรีบไปพอรีบไปแล้วพระพุทธเจ้าของเราทา่านก็ยิ้มยิ้มเมื่อท่านยิ้มยิ้มแล้วท่านก็ทํานายท่านบอกว่าพระพุทธองค์ทรงบอกไปว่าวิปริญญาหัววัตตินันจิธรรมที สิบมีเนี่ยใดเกิดเป็นแขนหายประการใดไ ด, ไ ด, ไดแท่ปัจจุบันสบายอยู่พระเจ้าอยู่หัวเอ้ยปัญญาโลกเกอหน้าขัดสมิงหากสิเป็นเหตุหายภ่ายหนาโลกคนโลกสิเกิดเดือดห่อนไฟสิไม่จีเพา ว, เวาเทนันพระก็ไข่โอกแกวเทศเฒนนาธรรมบริมนวนคำคว้าหากาวมามีแจงเป็นแสดงขไข ว, วน่ทำหมดพระโสดมหาสุบินชาดกบอกไว้ไข่หเรืองล่า เอกอนิบาทแห่งประสตรูตหมวดขุดทักนิกายพัดไตปิดกบาลีเหลี่ยมที่เศร้าเจ็ดแถขอที่เจ็ดสเจ็ดผอมทั้งห้อมลงหนาเศ้สาสีเฟนเดซี่บอกปล่อยให้ห้องหูบัดเถื่อนลุ้นค่วมฝันเป็นตั้งแต่ผลมาถือวางใ้ายห้องพี่นองเอ๋ยให้ค่อยฟังกันนิ่งคิดซอยกันอย่าดูหายอธิบายหัวขอพ่อฟังหูห อ, อมล่างตะคิดเสดีจหูห้อมแห้งปองซอยกันพี่นองเอ๋ย คอหนึ่งนั่นฟันว่าอุสุภาเห็นหมูงม่วบักเถกสีแดงแดงแลนมาสุดสาวเสียงคำรามห้องดังมากเือบฝ่าแรงแลนมาคนลยายหาดระดา่างทายาทเขาใสยกันฝ้ามืดคึมดินไงเป็นพงสักขโยงข้าญาติปบขูดแก้วดินควนกลุ่มคือสิซ้นกันแฉบพันแปรเป็นอื่นแลนมาแล้วพันเราใหญ่อันหนาเหลีกยนี้ฮะเอ้ยนี่คือความฝันคอนี้ภาษาบาลีว่าอุสุภาอุสุภา งอชุพราชสี่ตัววิ่งมาในทิศทั้งสี่คำรามรั่นปานฟ้าจะถลม่มฝุ่นตลบ ก, กบตลาดหน้าพระรานพระบรมมหาราชวังประชาชนทั้งหลายไม่เคยพบเคยเห็นหลังไหลกันมาอ่อเต็มแน่นไปหมดว่าจะได้ดูมันจะชนกันจะเควิดกันของหน้าดูไม่ต้องไปปักใต้แล้วดูนี่ก็เห็นตัวใหญ่ๆทั้งสี่ตัวนี่ตัวไหนจะเก่งก็พากันมารมโด เตปากฏว่ามันไม่ชนกันจะเอาเขา้าจริงๆทางดังเปิดปาดเปิดปาดแล้วก็เปิดอาลาดไปคนละทิศละทางว่าสันคนโบราณว่าอย่างนั้นเปิดอาดลาดไปไผ่ไปมันเขรางอคนโบลาณพูดอย่างนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางประเทศลาวแถวบ้านน้องบัวท่าแถวนี้หนังสือกเก่าๆพวกนี้เจอะเลยฝั่งทางนู้นนะตรงข้ามเก็บมาลาดไปทางนูน้นแต่ทางประเทศลาวมักจะทาเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นกอเป็นกราบ เป็นแบบหมอหลำแต่ทางฝั่งไทยมักจะทําเป็นกรอนฟังไพร่ทางฝั่งราวนั่นทําเป็นเป็นกาบคล้ายๆเป็นเป็นกรอ น, นรของพวกหมอลำแรงขาม่าเบิรแห้งกูกูคุนคนจนว่าดินเป็นฝุ้งหมืดฝ่าม่วงฝนปรากฏวาสีส้นกันเสียหายมันแหลกแรงขามา่าแล้วแหกไปไผไ ป, ไ ป, ไปมันเป็นหนาอัตจันท์ความฝันเกินตงังว่าอย่างนี้คล้อ้ได้เจ้าครันิญญาคูลำํำพระลำใครไม่ใช่นะ ว่าแบบแบบประเทศลาก็ว่าอย่างนี้พ่อเมื่อขอนสวางแก่งุงลาตีพระผู้มีโคดมหูเหตุก็เลยตัดเทปสอนตังลาซาไะ ส, สั้นเพื่อนบอกว่าศาสานารวงไปายนาจนถึงสองพันหาเดินสีปีจอคอนที่ด่มากอ๋อสิ่งกันหยาดเงยงอยู่ตามทางสีแพงหัว่ า, ายไปแถวข้อไภายไม่ใช่ลำนะว่าให้ฟังหวัวาไทายไปเมือง คนทีเกิดแคนเครื่องการกินการสร้างเขาสิภากันอึดกันยากเขานำตามปลาหอดยาหน้าเขาบอไดเฮ็ดเฮ็ดหน้าไดบอเตมเม็ดเต็มหนวยหอดเดิอเก่าเห็นแต่เมกง่ายๆเป็นงนลทนกันเป็นนาอัศจรรย์เวหาอากาศผลบนยอย่อยบอยาดทาให้ท ำ, ห, ำ, ห, ำหน้าพ่อตัง่งเตะตั้ต ง, งขืนมา ก, มากหายไปวับเฟบคนสิอึดหอดแกบเสือไก่ในหัางพิษแต่ขังฟังหลังขันหลังผลตัวอันนี้แบบแบบจะไหม ประเทศลาวท่านทําอย่างนี้ก่อนทำประเทศลาวว่าอย่างนี้ทําว่ากันเป็นกาบแบบหมอลําเราฟังเข้าใจง่ายดีอีกเหมือนกันเป็นการทํานายแต่ทางประเทศไทยของเรานั้นว่าไปอีกอย่างพระมนีทำหน่ายให้ปรเนรญญญญสนพญายิ่งศรนาหลวงได้ไพนาหากสิเป็นสองพันหาโลคกาสิไว้วันมั่นจะเกิดเดือดหอนทั้งข่ายทัวแดนคนจะเกิดแหลงแขนอึดอยากหิ้วโซ่คือกันพูนเหมือนกันแต่ <laughs> <laughs> <laughs> ั เป็คนละสํานวนกันคนบ่มีศิลธรรมบ่หักพร้อมตอมตุ่มซุ่มแซงเสือเห็นกันบ่หักโขกกันแล้วคือจังก้นต่างบาทเป็นหนานายสะอ่างฝงมวดินแล่ฝ่าฝนลมบ่เืยเกา่าเป็นมโลดโทดเถ่ามาแลวกะเหลาหายฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูการวาตาวายันติวิษมังเรียกว่าลมก็แปรปวนพัดไม่สม่ําเสมอเมฆตั้งเข้าทำเมินเมืดฟ้ามวดินเหมือนพายุกเกจะทลนมบ้าน ทางท่าแช่ปัทิวทางชุมพรบันเราแต่เสร็จแล้วไม่ตกกับลมแปลปวนพัดไปตกซะที่อื่นอะไรทำนองเนี้ยข่าวการในนาก็เลยไม่งามเพฟราะฝนฟ้าไม่ตกต้องตามระดูการลมแปลปวนเหลือเกินมืดมาแล้วก็ไม่ตกยังเรียกว่าเป็นมลูดถูดเถ่ามาแล้วก็เราหายเป็นทีอัศจรรย์แหะเวหาอากาฝนบ่ห้ำยาบหน่อยหน้าหัวห้สวน โชคสิ่งหล่วนเสื่อจายค้ายกันเป็นของไภ่ของมั่นหลวมแม่กันกระขายเสือส่อไภ่ซื้อเอาได้ของกันดายเป่ามีแล้วขีแกบเตะตารางเหล่าเอาไว้แหลกกระบองเนี่ยเห็นไหมพ่อแม่ลูกเต้าจะต้องซื้อกันพ่อมันอดมันอยากอดอยากภายนอกยังไม่เตาไายจิตใจมันขาดแคลนสิ้นทำมมีแต่ความเพ้นแก่เนื้อแก่ตัวเจ้าอยากได้เจ้าแทนทุนเอาเดอ้ออีเมลเคอยเสือมาทอนี่พูดอย่างนี้บวกกำไรเข้าไปเล้ว พ่อแม่ก็จะต้องลำบากล่ะที่นี้คนไม่มีสินมีธรรมไม่คำนึงถึงกันแต่ก่อนนั่นขอกันกินน่นก็พี่นี่กันน้องปองดองกันหนักหนาขันจะไปบ้านไต่ขอฝากหอเกลือขันจะไปบ้านเนื้อขอฝากหอเข่าขันเป็นเจ้าอยู่บานขอฝากยังหันพอบนั่งของผ้าเพนแกลมูสังโคเจ้าเข้าเป็นบีนองบ้านหนึ่งเมืองเดียวกันย่ามขาดเค้นเจ็บเป็นเพลิงผ้ากันได้ย่ามเมื่อมอและนั่งหมวยห่มกันเหม่ยนข่าสรงสวยสุมจุดผอมสะการหาทรงถึง แต่พอสินทำเติมตามคนหนึ่งไข่ประงาบประงาบเกือบตายอีกบ้านหลังมันใกล้ใกล้มันเปิดสตอริโอสตริงคอมโบหรือดิสโกเทคชึงชึงช่งจนมันจะหัวใจวายตายไม่เห็น อ, อกเห็นใจกันคนหนึ่งจวนจะตายคนหนึ่งกําลังสนอกสนานกันเต็มที่ซึ่งลักษณะอย่างนี้มันมีมาไม่ได้ถ้าหากคนมีสิลมีธรรมจะต้องเห็น อ, อกเห็นใจคิดดูเล่าเราก็คิตคิดดูเล่าเขาก็ใจปูกอื่นใดหรือจะสู้ปกไมตรีดีกว่าพันคนเวลาเั่นพูดอย่างนี้ นี่ไม่เอามันซื้อกันกินขายกันกินแม้แต่โลกกับเต่าพ่อแม่ขายกันขี้แกบอยู่เตะตารางเหล่าเอาไว้แหลกกระบองเดี๋ยวนี้ได้ไหมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวรถวิ่งมาแล้วมาซื้อขี้แก็บมาเยี่งทางแถวสกลนครบ้านของข้าไปเจ้าอาตมาในว่ายขี้แกบไม่ได้ทิ้งแกบเนี่ยรถมาซื้อเอาไปเผาเกลือเอาไปต้มเกลือแน่งก็เลยบอกว่าคนทำไมต่อไปนู่น จะต้องมีจะซื้อไม่ว่าจะเป็นใครพ่อแม่ก็ต้องซื้อกันกันกบลูกของไผของมันลูกแม่กันกระขายเสือไผสิืซื้อเอาได้ของกันดายเป่ามีแล้วขี้แกบแต่ตารางเ่อเอาไว้แหลกกระบองกระบองก็คือสิ่งที่จุดให้เกิดแสงสว่างเดี๋ยวนี้กระ บ, บองไฟฟ้าแทบว้าปลอดขายขี้แกบ มาให้ค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนก็อย่างดีเนี่ยโรงสีสมัยก่อนจะมีโรงสีใครอยากได้แกะเอาไปเผาถ่านไปละป้ายไปคนเอาเดี๋ยวนี้ไม่ได้จะต้องซื้อเอาไว้แหลกกระบองเอาไว้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าขายแก่เป็นค่าเป็นค่าไฟฟ้าเพราะว่าไฟฟ้าเป็นไดปันเป็นใดปันโรงสีเล้วโรงสีไม่ต้องใช้น้ํามันต้องใช้ไฟฟ้าคือใช้กระบองกระบองคนอีสานก็คือสิ่งที่ให้แสงสว่างคือไฟฟ้าสมัยใหม่ พ่อจะสั้นกเกี่ยก็บเตะตารางเหล่าเอาไว้เลข ก, กระบองขายแกบซีซีข้าวก็ไปให้ข่าไฟอีกไม่ไดีไปอย่างเนี่ยความฝันอย่างเนี้ยมันเปรียบเหมือนคนจะไม่มีสินมีทำฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลเห็นไหมเดี๋ยวนี้ฝนฟ้าไม่เหมือนเก่าแล้วไม่ว่าบ้านไหนเมืองไหนมนุษย์ในโลกนี้กําลังดูดเอาแก่ธรรมชาติฟอสซิลส์ฟิวอ เอามาพวกน้ำมูกน้ำมันมาเผามากันตัวโรงงานอุตสาหกรรมอะไรต่างๆทิ้งน้ําเน่าลงในแม่น้าลําคลองกลิ่นตลบอบอวนเหมน็นฟุ้งไปหมดนอกจากนั้นน้ําก็มีพิษเพราะว่าโรงงานต่างๆระบายน้ําเน่าลงสู่แม่น้ําปูปลาเกาะดูไม่ได้มันตายมันเป็นพิษไปหมดเห็นไหมเนี่ยและฝนฟ้าจะให้มันตกยังไงป่าดิบดงดําหุบเขาปา่าพงดงดอนถูกทาลายเกลี้ยงอาตมาไปเทศที่จังหวัดตะ น้องบอนแต่ก่อนเคยเดินท่อมๆแต่ไม่ก่อนเคยเดินน้องบอล น, นาวงบ่อไร่เขาเคือไว้นี่เดินป่าดิบลงดําคนเขาขุดพลอยเอาคนขุดเอาเอามาล้างเอาเดี๋ยวนี่วูหอยเอารถแบกโคมาขุดแบกโคมาขุดเอาเครื่องร่อนเครื่องตะแกงภูเขาสูงสูงหมดป่าไม้ยังไม่พอภูเขาเตี้ยเนี่ยผู้ใหญ่พาแผ่ล่านตัวเตี้ยตําปูปลากั้งหูบินบนพญ่อมเมฆแล้วบาดเนี่ยปลากั้งจะบินบน ถอยดูคนโบราณบอกว่านู้ซิ่งทำดะบ้าไหา่แม่บัดกดาก่มข่าผู้ใหญ่พ้าแผ่หลานตัวเตียดตําปูปลากั้งหูสิบินบนพญ ม, มิกพอกเขาใหญ่ๆพากันขุดพอยลาบพนาศูนเลยผู้ใหญ่พ้าแผ่หลานตัวเตียดตําปูปลากั้งหู่บินบนพญ ม, มิกอาจจะหมายความว่าต่อไปนี่คนอาจจะมาซื้อเดี๋ยวนี้เราเคยสั่งปูสั่งปลามาจากเมืองนอกปลาพวก ปลานินปลาในาปลาอะไรต่างๆปลาจากหยปบ่นปลาจากเมืองนอกปลาจากเมืองกินเอาขี่เครื่องบินมาเลี้ยงไว้ในตู้ให้คนดูมาเลี้ยงให้มันใหญ่วตต่อไปปลาก้างบ้านเราอาจจะบินไปเมืองนอกมันไม่เคยมีเขาอาจจะเห็นเป็นสิ่งแปลกประหลาดขึ้นมานมันเป็นไปได้หลายด่านคนไม่มีสินมีธรรมทาลายปลาเขาลาเนาภายัยหลังจากนั้นฝนตกไม่ตองตาละดูการท่าตกมาก ไม่มีอะไรคอยดูดซับภูเขาพังทลายทับพี่น้องบ้านกระทูลปักใต้บ้านเราลมพัดไม่สม่ำเสมอวระพุทธเจา้าบอกคนไม่มีศีลไม่ทำไปดูเอาแก่ธรรมชาติมาเผาลรงงานแก้แต่ใครเคยไปเมืองซาอุอาระเบียไปดูที่นูน่นซาอุดีอาราเบียที่เมืองเช็กกัมไปดูที่โฮฟุบที่อุสมานียะ อะไรต่างๆคยไฟลุกท่วมแผ่นดิ น, น, นกลางวันกลางคืนไฟเผาแกนโรงงานกันน้ำมันต่างๆหายใจไม่ออกไปเหม็นอยู่ตลอบเหม็นแก๊สสิ่งเหล่านี้มันลอยฟ้องลนไปในอากาศมันก็กลายเป็นเมฆเป็นฝนตกลงมามีพิษมีภัยลงมาในน้ำเป็นเอซิตเรนเต่าปูปลาตายเป็นบาดเป็นแพ้ทีามีน้อยถี่มีมากไม่ต้องเป็นบาดตายไปเลยประชาชนกินน้ำฝนก็กินไม่ได้ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูการดินฟ้าอากาศร้อนผิดปกติ แอบเลิฟแคมนอนสวาโซในภากันตายเพราะร้อนในอเมริกาในอิตาลีต้องอบพายยบลีเรียกว่าแอบร้อนเมนเลฟูจิคืออพายยบลีหนี้ภัยจากสภาพแวดล้อมความฝันของพระเจ้าปัสเซนติโกสนก็กลายเป็นความจริงขึ้นมาฝนฟ้าจะตกก็ไม่ตกแข้งแร้งถึงหน้าร้อนเสือกตกถึงหน้าหนาวเสือกถึงหน้าฝนเสือกไม่ตกอะไรขึ้นมาอย่างเนี้ย ความฟันนี้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าจะเป็นปัจจัยแก่โลกปจลกกัจจัยโลกแกอนาคตตมิงในในอนาคตโน้นอ น, อนาคตตสมิงคนไม่มีสินมีธรรมโลกจะ่เราร้อนเหมือนกีไฟโลกสิเกิดเดือดหอนไฟสม่ยจีเผาเดี๋ยวนี้ไม่มีอากาศหายใจนะประเทศที่จเจริญอย่างประเทศดีบุนอย่างประเทศฝรั่งมั่งค่าจะต้องมีโรงกันอากาศใส่ถุงดมคือดมเกาว มันมีแล้วในโรงงานอุตสาหารกรรมประเทศญี่ปุ่นแล้วหายใจกันไม่ออกไม่ต้องไตต้องไตไปแค่กรุงเทพเนี่ยอาตมาไปเทศตี่อยู่ไม่ได้ถึงสามวันเทศจบแล้วรีบกลับมาหายใจไม่อิมเลยบอดู่งาบ ง, า บ, งาบคือป่าเนี่นอนอยู่ในห้องเหมือนกับอยู่ในกล่องไม่ขีดจะอาศัยแอร์คอยดิชั่นถ้าออกมาจากนั่นก็โอ้จะตายให้ได้เลยหายใจไม่อิ่มทองมนุษย์กําลังเผาโลกให้เราลอโลกสิเกิดเดือดหอน คือไฟสมัยกีเผาพระพุทธเจ้าบอกมันกีมั น, มนเผาเล้วทุกวันนี่พวกฝรั่งบังค่าญี่ปุ่นจะมาซื้อที่ดินที่ดอนไหลละแสนละละ้านอีกหน่อยมันซื้อพอบ้านมันตารางละวาละสี่แสนนู่นนักหน้าเข้ามาซื้อบ้านเรามาปลูกบ้านปลูกช่องลู่ต่อไปเนี่ยถท่าคอยดูถ้าพวกเราไม่ตื่นตัวกันซะก่อนจะเดือดร้อนอย่างรวดเร็วเลยที่พระพุทธเจ้าทํานายฝันของพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลข้อที่หนึ่งเนี่ยมันแล้วก็น่าคิด ท่านบอกว่ามันจะเกิดเดือดห่อนทั้งข่ายแผ่นดินคนจะเกิดแรงแผ่นอึดหยากหิวโซ่คนบอมีสินทำบ่หักหอมตอมตุ่มซุ่มเส้นเสือเห็นกันบ่หักหมก็ยังคนต่างบ้านเป็นหนานายส่างพี่น้องก็ไ่มีความเห็นอกเห็นใจฉันก็ยากได้แก่ก็ยากมีฉันก็ยากเป็นแก่ยากเด่นฉันก็ยากดังแย่งกันโว้ยเป็นพี่เป็นน้องกันที่ไหนด้ถ้าหากเราไม่มีสินมีทรร ขีแก่แต่ตารางหลอกเอาไว้แหลกแต่บอกเอากันเฉยๆไม่ได้ต้องขายกันแล้วดีนี้สมัยแย่งกันซื้ออย่างกันขายซื้ออยู่ซื้อกินทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้นข้อที่สองฝันต่อพระเจ้าปเสนทิโกสอนว่าลูกขาฝันเห็นต้นไม้แค่คือเป็นดอกแค่สอกเป็นผลมันจะเกิดอาเพศเหตุภัยอะไรมาเล่าพุทธเจ้าฟังคอที่สองนั้นฝันเห็นหมู่มวนลูกขา เป็นดอกผลผลาตัางแต่เหงาอย่างหน่อยกบพอท่านฟังแน่สังมาจีจูมดอขากพอท่านยังเพื่นทั้งมาปีนปองไปคอนี่ได้คือมูสตีสิเก็บมีตันหาต่างแต่ยาำอย่งหน่อยซอยไว้ยหนาเห็นสายสิหักหัวพ่อแต่นุ่มตุ่มตักให้เขาขันเนียงใบกวาา่าซั้นค่อยเวลาท่านบอกว่าพาจอจรอขึ้นมาค่ะ นมตุมตังให้เขาขันเนียงใบบ่มีอายไผ่แถตันหาหุ่มห่อพ่อจะจอรอขืนแสวงสุตรสวกสานีแต่ก่อนอายุสิบเอดสิบสองปีแก้ผ้าโดนน้าตูมตูมด้วยกันได้ไม่รู้เรื่องเดี๋ยวนี้หนังมันสอนตัวรัฐมันสอนรักกันก็วิ่งเข้ามากอดกันแก้ผ้าเข้ามาห้ากันถะชังกันก็ลากเปิ้ลากมีดวิ่งเข้าไปแทงกันยิงกันฆ่ากัน Still be led i motion สอนให้รักง่ายให้โกงง่ายให้เกลียงง่ายเกิดตันหาราคะมันเห็นใน นังในมุ้งในหมอนหวอายุหกสิบเจ็ดปีมันก็จะเป็นพวเป็นเมียกันได้แล้วทุกวันนี้เอาไปไหว้ด้วยกันไม่ได้เพราะอะไรสิ่งที่ผู้ใหญ่จัดสรรขึ้นมานังเอ่ยละครเอ่ยทีวีโทรทัศน์อะไรต่างๆร า, า, ายการที่มันด้วยย้อมหมอบเมาจิตใจบ้านหนึง่งเมืองหนึง่งเอานังมาฉายไม่รู้หนูอยากลองบางทีก็เขียนว่ารถสวดัดชายชู พากันไปดูแล้วเกิดสาวรุ่นจใจใจแตกสาวใหญ่ใจถึงแม่หมายใจปั่มผู้หญิงผัวเพอจะเป็นสาวยุ่เลื่อยขอให้ผัวคอยไปเมืองนอกส่งเงินมาก่อนเด้อเขาจะพาเจ้าไปเที่ยวรอดนั่นเป็นอย่างนั้นพราะนั้นคนบารานจึงเล่าเรื่องนี้เอาไว้เมื่อพระพุทธเจ้าทํานายให้พระเจ้าประเสริฐที่โกศลมูลสตีสิเกอรมีตันหาต่างแต่งามยัยงหน่อยซอยวุ่ยหนาเห็นสายสีหักโงบแล้วพอจะนมตุมตั่งให้เขาขันเนืองใบ ว่ามีอายไปแท่ตั้หาห่มห่อพ่อต่จอรอขันสาวแวงสวดสวกเสน้ยิงสะไปหาแหลนแต่งวนสายส้มเบาฮักผู้ได้แล้วสิเผาทาย ง, งานเต็นแหลนนะ้ำยิง่งใสสวยสิปีสิมีหลวกเคอจังพลาหมากใหม่ที่ฟันผอบพบเห็นแท้แล้วเห็นไหมผู้หญิงตัววันที่ชอบใครละไปหาแล้วยอดรักคิดถึงเธอจังเลยงามอาบุญตะกอนเวยนางสาวหลับ อยู่ไกล้ผู้เฒ่าผู้เบาวอยากคุยกับไหววาดไหวเสิ่งขึ้นอย่างเนี่ยโอ้ยเจ้าผู้บัวบานบางกลางสะพังต้นเปียวพู้งามเอ๋ยฟุงมูแม่แู่ผูกผงผสมกวาวกินละอองสาติแนวดวงคอมหนีหย่านบานดายเดี๋ยวเป่าเดชคู่ครูโคแห่งงามแหล่งสีหล่นได้ผู้จีบผู้สาวเหมือนบัวอยู่กลางหนองงามอยู่กลางหยาดติพี่น้องเข้าไปลามเลียไปล่วงเกินอะไรไม่ได้ก็เลยพูดฝากไป กลางสะพั่งต้นเปียวแม่งคูเผิงะสง์กวกกิกกนละอองอยากคุยอยากพูดอยากจาเหลือเกินดีเหลือเกินขนมทำเนียมประเพณีเป็นฟ้าหนีทำเนียมให้มันคลองตีนผมให้ลำเพียงตีนสิทธให้ลำเพียงจะไม่ดีนุ่งส่งขาเห็นเหนาวเก็บตายเสื้อตันในไม่อยากใส่วิ่งไปหาชายยามเวลาเอาบุญเอาทานแหว่งคิดถึงเธอจังเลยว่าเขาไปทันมันเป็นอย่างนี้พอเห็นนั้นคนโบราณท่านก็นเลยพูดเอาไว้ ยิงจะไปหาแหลมไปงวนไส้ส้มเบาวครับผู้ใดเหลีวสิเฝ้าทำงานเต็มแลน้าพ่อแม่ห้ามอย่าไปเด้อลาเดอ้อบุญบ้านนั่นบ้านนี้มันบดีถ้าเอาไปไปบุญบ้านท่าเฮ้ไปจาหน่อยกรบบาดชุดเดียวหนึ่งถ้าพ่อแม่ห้หามหนักหนักก็อย่าเอาไรเด้ไปมีบ่มา ก, ก็ได้ไดิเราจะเห็นหนาคนในเหื่นเน็ตอีพ่อแม่ก้มหน้างอเ ง, งอนลูกนั่นเป็นอย่างนี้ หลังจากนั้นคนโ บ, โบราณจึงบอกว่าหญิงใต้สวยสิบปีซิมีโลกคือจังพล่ามากแม่ที่ฝันผอพบเห็นเสนแล้วแต่ก่อนนั่นเป็นจะไปคุยก็ลําบากเดียวนี่ผู้หญิงเข้าไปหาผู้ชายเลยคนโบราณยิ่งทางประเทศลาวเขาเขียนเป็นกาเป็นกอนเขาไม่เขียนเป็นกรแบบแบบพูดง่ายๆเขาทําเป็นเป็นกาแบบให้หมอลาเขาลาอันนี้ข้อที่สองนั่นฝันเห็นตนไม่อ่อนออ ก, กดอกจุ้งจีนี่ก็ปานชดตีหน้าดีน้อยนอพระว่า พ่อใดไงขึ้นมาจอรออายุสิบสองเรียบังหัวนมพองพ่อทอกำปั่นแจกว่าหายัยคันก็เลยในเลื่อยถึงประสันหน่อยกาให้เขาดึงหนีลูกอองลองคันแม่คุวยกับว่าท่านหูหองหูขาดหูไทต่อไปทางสะมยพ่อจอสองปัญหาพวกมูเขาอีหล่าหน่อยนุ่มหนา้าดี อายุเกสิปีสิเอาผัวสอนบอนกันเลยได้ลูกอ่อนหายเอลกินนมพระองค์พระโคโดมเห็นแล้วจนเปิดแล้วก็หาซ้อมเบื้องเถิดสีแมนบอลหรือไหนอันนี้ประเทศลาวก็เกลียดพายอย่างดีนะชาวประเทศลาว่าอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้ก็อาจจะไม่ได้ยินทางฝั่งโน้นบ้านเมืองได้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองศาสานาหมดกําลังสุดทั่วภาพได้พบพระหนุ่มเน น, น้อยพระผู้เท่าที่รักศาสนาประเทศลาวข้ามา มาฟังเทศฟังธรรมก็โอ๊ยอาจจะมาถามหาเป็นยังไ ง, น, งน้ะทางโน้นคิดถึงเลยเกินพี่น้องเราเป็นเมือนเก่าเมืออก่อนไหมท่านก็ส่ายหัวโอ้ยผมก็พยายามที่สุดไม่รู้ว่าจะเอาคืนมาได้สักขนาดไหนเรื่องศาสนาแต่ว่าผู้เท่ายังสนใจอยู่คิดแล้วก็น่าสงสารพี่น้องเราแท้แท้และก็บอกว่าไม่มีผ้ามีผ่อนบอยอาตมามีผ้าคลุมชีวอเนี่ยบางทีเอาให้เบลเจตตายแปลกตาเอาไปนะ อย่าไปคุมไปห่มคนเดียวอยาอาไปขายได้บาปตายเลยบอกได้ไปแล้วเอาไปแจกครูบาอาจารย์เด้อคนไหนไม่มีองค์ไหนปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบชีวัดจะมีคนมาขอบูชาผ้าบูชาไปไหนบูชาก็คือซื้อจะมาซื้อเอาผ้าราคาถูกเลยจะไปย้อนบือสิ่มไปลงตรงโน้นตรงนี้ให้คนมาบูชาอารามาบอกไม่ได้ที่นี่ซื้อไม่ขายไม่ใช่มีเพื่อขาย ถ้ามันเลือไว้ก็เป็นพันธาคาึกส่วนกลางภิกษุองใดส้ำมันเณรองใดไม่ว่าท ร, รมายุทธไม่ว่ามหานิกายเ ข, ขอขอจรมาไม่มีผ้าอาตมาทานให้ทานให้ทานใ ห, นใ ห, นให้สบายใจอย่าไปซื้อไปขายสิ่งเหล่านี้แต่พูดอย่างนี้ทางเมืองลาวของเรานูน่นเกาะเหมือนกันเดี๋ยวนี้ประสาทธนาก็มีคนคิดจะฟื้นฟูให้คนเข้าใจแต่ก็ไม่ คอยเป็นคอยไปครูบาอาจารย์เอ้ ย, อย่าครูเอ้ยอดเอาเด้อคอยอุดคอยเหือยดยั่งสิได้ตอนข่ำเพลินเนื้อตกไตวัดแห้งพอดีทาผาบวเขาฟันเจ็บวบแต่ไกลไม่ต้องไปกัดเคี้ยวกัดฟันว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนี้ไม่ได้มันไม่ได้ก็ถือว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อมันบุญมีแค่นี้วาดธนามีแค่นี้คอยทํำคอยไปเขาไม่เข้าใจเมนติดตามทวนไตเนี่ยแสงแจงหุงฟุ้งมูชาบอดใบเขาสิหูวหอมใด้ ให้เจ้าจุดตะเกียงไหวคนตาดีสิเห็นหงสุมม่ฟมฟงหวัดใบเขาบอกหูกา้างเขาแข่บกผู้ห่างไข่เศร้าเมืองสิหูเมื่อขิ่งหรือสังติคิดแ ต, ต่เดือกหูว่ามีแขกเงือกงูคนตาบอดคนวิชาทิฏฐิใจบอดไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์พูดอย่างไรจนตายพระพุทธเจ้ากเกิดมาพร้อมกันห้าร้อยองค์ก็ช่วยอะไรคนพวกนี้ไม่ได้เพราะว่าจิตใจเขาบอดจิตใจเขาไม่ยอมรับส่วนคนที่มีสัมมาทิฏฐิรู้จักผิดเป็นผีดรู้จักชอบเป็นชอบมีสมามัญตํานึกคิด อะไรละเอียดลึกซึ้งบุคคลเหล่านี้ก็สามารถจะได้รับประโยชน์จากสินจากธรรมเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ของฮาเดอทางประเทศลาวโพูนจังใดกันตามให้คอยอดคอยทอนคอยอดอดเก่าเนื่อนยั่งสิไรตตอนคําเพื่อเ น, นื้อตกแต้ประเทงพอดีทาผ้าบบเข่าให้ฟันเจิมไว้แต่ไกลความฝันของพระเจ้าประเซนที่โกศลดังกล่าวมาแล้วกับกลายเป็นเรื่องที่มันเป็นความจริงขึ้นมาในยุคในสมัยนี้ทุกวันนี้ กระดังที่เก่าวแล้วเด็กๆเล็กๆหนุ่มๆสาวๆรู้จักความสัมพันธ์ทำไม่ตรีทางเพศอะไรกันเพราะว่ามันสอนกันเลือเกินหนังเอ่ยละครเอ่ยอะไรต่างๆการันต์มือสวยหลายปีเป็นอันตา่างพระเพนเทศเหตุไหวพ่ายสอยศาสนาหญิงใส้สวยสิบปีซิมีโรคหนักปากพมแมน้าที่กว่วงขาดเคิรนเดี๋ยวนี้เดยกไปผ่าออกโรงพยาบาลมีแล้วมีข่าวเล่ากันมาเล็ก ๆ, ๆน้อยๆอยอยอยมีผัวมีลูกกันนั่นเป็นอย่างนั้น เนื่องจากบากิเลตัณหามันได้ถูกปลกเราสติวิเลอิโมชันให้มีความกำหนัดขยายอายุตนาคอนเซปชันต่างนี้ขึ้นตัวเล็กๆตัวน้อยๆรู้จักเรื่องราวเหล่านี้เพราะเหตุนั้นท่านที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นั่งเอ่ยละครเอร่ยนั่งโป้นังเปยเอามาใช้ให้ลูกให้ล้านดูเห็นแก่เงินแก่ทองแต่ความเสื่อมเสื้ออย่างเสื่อมเสียอย่างลึกซึ้งถึงรากฐานแห่งศึงธรรมลูกนับวันจะไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกเส็จไม่เคารพครู บ, บาอาจารย์บาดเบืองขาดระเบียบวินยัย มันดูตัวอย่างจากหนังพระเอกนางเอกก็ดีตัวโกงตัวผู้รายการป้นรถทัวป้นธนาคารจี่เครื่องบินมันมีแล้วอยู่ในหนังจึงทําให้คนเนีย่ยรู้จักคํานโอเคอนาคตัสามิงจะเป็นปัจจัยแก่โลกนี้ในอนาคตไม่ใช่เป็นในขณะนี้แล้วก็ดังที่เราได้พบได้เห็นความฝันข้อนี้ก็เป็นจริงขึ้นมาทีนี้มาดูความฝันข้อที่สาม สิ่งพระเจ้าปเสนที่โกสนทานฝันทั้งหมดส6ข้อดังกล่าวแล้วซึ่งมันฝันแปลกประหลาดส่วนข้อที่สาบนั้นภาษาบาลีว่าคาวิโยคาวิโยอุสุภารุคาขาคาวิโยควาจะหมายถึงว่างวัวง่วแม่งัวขอกินนมกับลูกมันคนโบราณอีสานบ้านเราฝั่งทางประเทศไทย เขียนไว้ตามลุ่มลำน้ําของเป็นวรรณกรรมอันลเลืเลิศอีกอันหนึง่งซึ่งเขียนไว้ว่าคอที่สามนั่นฟันเห็นมั่วแม่งองอคอกินนมน้ำลูกเอาหัวหมดเข่าทองมั่วหน่อยเกิดเมื่อวนันมันกระทำยนต์นเต็นปบนี้จากแม่ส่วนเบางบแม่ง่อกระทำยานต์เต็มแหลนเป็นดีอัศจรรย์แทบไม่เคยเห็นตั้งแต่กเก่าพระพุทธองค์ทรงบอกไว้ว่าพ่ายสอยศาสนา ฟ้องงงกุมาลากุมารีพอมบอกฟังคว a m พอ่แแ อ, พอแม่ซะแล้วเลี้ยงใงี่เหลวคุณเถากะเราเลื่อมเขาสิ้อ้ากันหาติเตียนพ่อแม่สอนสั่งเขาทั้งหายให้จือจำให้เจ้าเจืดไว้แต่หีไปหาตัวตายท้อแล้วเจ้าฉราดไอ้คนดุด่ า, ดดาพ่อแม่อย่างนี้จึงบอกว่าสอนสั่งเขาทั้งหายให้เจืดจำย่ำได้พ่อแม่เห็ุเถอะขอบอกแม่นใจเขา เขาจังสีเห็ดน้ำทำตามลำดูลิงเหี่ยมขั้นยำไดเขาบาโซดาด่วยสองเขือกันนางเจ้าขันหน้าของฟ้าแอมเซบน้ำตาภาวนาให้พญากำ ม, มาเดินจองไปถอนเถ่าแก่แหล้วเขาบ่อเลี่ยงควยอยากตายพญากำพญ า, พญาพเวนเออไอ้มาเอาภูขาไปถอนเลี่ยงเขามาผ้าเขาใหญ่เขาสั่งอีเถาดียกตายได้เหรร้องไห มั่มีที่พึ่งพาอาศัยทางจิตใจหวังจะพึ่งพาอาศัยลูกเต่ากตอตคอกดูด่าเขาวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องความมีความเป็นการได้าการเสียเห็นพ่อแม่เป็นตัวทวงความเจริญเออนี่มันจะเป็นอย่างนี้คือคนไม่มีสินมีธรรมมันเรี่มหมดคนโบราณจึงบอกว่าสองเคือเถาเนี่ยโซดาด้วยสองเคือเลยนางเจ้าหันหน้าเข่าฟ้าแอมเสร็จน้าตาพ่อวันหน้าแข็พระยากรรมมาดึงจองไปท้นเถาแก่แล้วเขาบ่อเหลี่ยงไปอยากตาย เขาโซอดาด้วยดอมขุนพอมแม่หัวงอกแล้วยังใสใ่เห็ดงานเพื่อจังเห็ดรับจ้างพ่อได้อยู่สามตายทำอยู่ทำกินรับจ้างกินสามตายผูไงหญ่เงียบอยู่ไปสามตายรับจ้างอยู่รับจ้างกินไปถ้าไม่ทำเมือก็ว่าเขาจะไม่ให้อยู่ให้กินรับจ้างเลี้ยงลูกเลี้ยงล้า น, ด, น, นดูนู่นดูนี่เท่าบางคนบอกคุมเงินได้รับจ้างอยู่รับจ้างกินว่างเงี้ย คือถ้าพูดให้เขาถูกใจเขาก็เอาใจให้อยู่ให้กินถ้าพูดไม่ดีไม่ถูกใจเขาก็ด่าเขากบว่าให้ที่ไม่ดีไม่ได้อยู่ได้กินจึงเมือนกระว่าทาำดูทํากินรับรับจ้างรับจ้างอยู่รับจ้างกินคือดูแลลกูกหลานเขานี่ดูไปดูมามันก็รักลูกบังรักหลานบ้างแบบนั้นพอโมโหให้พ่อให้แม่มันก็อยากตายแต่รักหลานในน้อยสุดที่ละ ก, ก็อยากอายุมั่นขวามยืน หัวหอกแล้วเขาใส่เหแห่งเห็ดงานคือจังเห็ดลับจางพ่อได้อยู่ซ้ำตายหวังเสียอาใส่แห้งเพิ่งผ้าย่ำเถ่าย่ำเมื่อสังขารสวยแห้งงานลดลาปันแห่งทุกซ้ําเถ่าออยากตายถิมก่อนง่ายเด่น้องออกไปสเลี้ยงไงแล้วหวังกินแห้งน้ําโลกพัดมาดูถูกเถ่าน้าตาหย่อยเงาไหลหัว อ, อกพ่อแม่นั่นคือไฟสมให้งามโลกโดูมินหายสองเถ้าอยากแต่ตาย เสียแห่งเหลี่ยงปูปลาสินตอนโลกเอ้ความได้ดีพอแม่เบ่าอิงอ่อยอ่อยเจ้าเขาบ่อ น, นอนบันจะว่าจาตัดสัมาคมเขียดดาพอแม่เด้บัดเธอาบ่าเกี่ยวสู่หวานอ่อยกะบอบปานมันหักเลือแห่งเขาถานอมนุ่มป้อน ม, าม้าตังแต่ยั ง, งหนุ่มน่อยเพียรเลี่ยงใครไงสูงทั้งพอแม่มาดมุงอยากหวังเพึงย่ำชาลาแพงปานกับปนวยตาตัางแต่ยาำยั ง, ยงหน่อยจึงได้กอยใจ จริงใจก้ยแห่งเรี ย, ย, ยงถนอมนมปอมอมานบรรคาเรียนในแล้วคุ้นเถ่ากะ เ, เล่าเรื่องอันนี้พูดเอาไว้ในตำนานทางอีสานบ้านเราเป็นก้อนฟังแล้วไพเราะสลาะสละ ส, ะ ล, ะสะลวยดีคำฝันข้อ น, นี้เป็นคำฝันข้อที่สามฝันเห็นัวออกโลกมาแล้วมันก็อาหัวมุดเข้าท้องน้อยจะไปกินนมลูกอ่อนๆมันลูกมันก็วิ่งนี้ แม่มันก็วิ่งตามงอนงอขอกินนมความจริงลูกมันจะต้องกินนมแม่แต่ตอนนี้แม่กินนมลูกมัอนฟันแปลกประหลาดอย่างนี้ก็เลยถามท่านก็นเลยเล่าให้ฟังในอนาคตตการน่นคนจิตใจต่ําเสื่อมซามลืมพ่อลืมแม่มัวเมาสยบอยู่กับกินกลามเกลีย ร, รักหัวรักเมียจนลืมพ่อจนลืมแม่รักทรัพย์สมบัติรักลูกรักเต่า อะไรต่างๆเห็นพ่อแม่เป็นตัวถ่วงความเจริญบางทีผู้จะกระโชกโหกห่างให้พ่อแม่ต้องร้องขมร้องไห้ช้ำอกช้ำใจหัวใจสมสมของผู้เท่าตกนรกซ้ำเท่าเลี้ยงลูกมาเต็มบ้านล้านมาเต็มเมืองแม้ปานาลิกเกอลูกเ อ, อ้ยยามแก่เท่าวังได้เจ้าเฝ้ารับใช้ยามเจ็บไข้หวังได้เจ้าเ ฝ, ฝ้ารักษาเมื่อเวลาถึงข่าวตายวาชีวาหวังได้เจ้าีิมาติดตาเมื่อสิ่งใจ ก่อนจะตายพ่อแม่ก็ตายตาค้างเพราะตาค้างหนึ่งเครียดแค้นลูกมันไม่ดีแล้วก็เป็นห่วงอยากให้ลูกดีกลัวคนอื่นเขาจะเกียดชังกลัวจะเป็นพิษเป็นภัยตาค้างลูกคนโน้นยังไม่มาคนนี้ยังไม่มาตายตามให้หลับเป็นห่วงลูกถ้าลูกมาถึงมาบอกแม่เอ้ยพ่อเอ้ยมาแล้วหนูมาแล้ ว, มลวผมมาแล้วขอให้แม่สบายใจแม่เอ้ยตั้งอกตั้งใจดีๆพ่อเอ้ยแม่พ่อ ยี้มอยู่ในมุมปากแล้วสิ้นใจตายลูกคนนี้ก็ดีลูกคนนั้นก็ดีมีงานทําเที่ยฟังพ่อแม่ถ้าอย่างนี้เรียกว่าปิดตาพ่อแม่ตายอย่างหลับตาเดี๋ยวนี้มันไม่ปิดตามันทําให้พ่อแม่ลืมตาโพงลูกชาวบ้านทําไมดีเหลือเกินหนอะลูกเราทําไมเป็นอย่างนั้นแค่พูดไปพ่มาดีๆเห็นพ่อแม่เป็นตัวถ่วงความเจริญไม่อยากให้อยู่ให้กินล่วมหลงกันอย่างนี้พ่อแม่ก็งอนง้ออยู่ออไปวันๆอย่างนี้ก็มีคนจิตต่ำใจสามขาดสินกาดทา ความฟันนี้มันจะได้แก่โลกนี้ในอนาคตทางประเทศลาวเขียนเป็นกาบเป็นแบบมอลำข้อพยาหาวัญญาคูลำนะว่าพระลำเราให้ฟังว่าทางประเทศลาวก็ไม่เบาครูบาอาจารย์ทต่ไมก่อนท่านเขียนไว้ข้อที่สามองค์พระจม องพระจอมไตรเจ้าพัดเสซนทีละสร้างฟันประหลาดแฉ่เห็นแมวโควิ่งแลนดไปเที่ยวขอกินดูดน่อมลูกอ่อนอันนี้กับพิษแต่ก่อนของบอเคยมนีนี่ก็คือสตีหน้ารี่น้อยนุมเกง่งเขาบอฟังควงโถพ่อเมยสั่งสอนเกิดเป็นคนจงองห้องหากินปิ้นไปเขาบอเอาใจใจน้ำขอบน้ำขั่วขออภัยเลหาว่าพระล้ำน ะ, ะมันมันมันพูดอย่างอื่นไม่เป็นเขาเขียนเป็นกาบอย่างนี้มันก็ต้องออกเสียงอย่างนี้ไปอย่างเงียบ ไม่เป็นกรนแบบประเทศไทยเราเขาบอกว่าเอาใจใจน้ำขอบน้ำขั้วไงมา่านแหลวเขาก็เลยแลนน้ำผัวหากินปิ่นปอกปะไ้เขาหั ว, วงอกหนึ่งเขาเอาฟืน้นหอดบะมีย่ำเยือนยาำนอนย่ำนัง่งข้อภัยนะไม่ฉล้ำทางประเทศเราเขาว่าจยางนี้คือต้นไม้ใกล้ฟังค้องแต่วันตายทางพม่กากับไม้กินแห้งน้ำลูกเขาเลยกับดูถูกบก่เอาถามหาหัวอกของมารดาป่านไฟซุ้มไฮ เสียแห่งเลยงจนไงสิ่งจีปเาเผาวาดวัลแอนน้นำเขาอความเดียวกับว่าคนโบราณทางประเทศลาวนูน่นฮันพูดดังนี้เป็นกราบเป็นแบบของมอลำํำมอลํำสมัยก่อนเขาเอาเป็นลําเรื่องราวพุทธทํามนายัยเขาเป็นลําเป็นก้อนทั้งสั้นบางก้อนทั้งยาวบาั้งแต่ทำเป็นกราบก็เอาเป็นก้อนทั้งสัน่นทับเอาว่าทั้งยาว ก, กาว็กอนยาวก้อนยาวก็ลําเป็นทางยาว คนฟังสมัยก่อนเข้าวัดเข้าว่าฟังหมอฟังหมอลำกอนก็นดีฟังหมอลำพื้นก็นดีล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องทางสินทางธรรมทั้งนั้นทํำให้บุคคลมีจิต ใ, ใจสูงส่งอายชั่วกลัวบาปเพราะว่าในมหรสน บ, บันเทิงต่างๆนั้นมันกลดไป่ด้วยบรรยากาศแห่งสินแห่งธรรมซึ่งมันไม่เหมือนทุกวันนี้ดูกันจนตาเละเป็นชั่วโมงยังไม่รู้ว่ามันเป็นหมอลำหรือมันเป็นสตริงหรือมันเป็นอะไรไม่สามารถจะรู้ได้ เสื้อผ้าเอามานุ่งยังไม่เสร็จเลยยังเก็บไม่เสร็จขาดหน้าขาดลังชเวิชวดชาวบับยกขายกแข้งเห็นกางเกงในเห็นอะไรแหลบออกมาอย่างนี้ผู้เท่าก็ตันหากับเท่าหัวงูเห็นมดลํำมูสาวๆก็ทําอย่างนี้เกิดผ่าเปิดผากั้งเก่งสว่างในตาจังบวะหัวเส็บง่าแจงแต่ ง, งานกันนอไอ้ท่านซากระยองโขกบางไปลืมชาติกลายเป็นผูโอโบเป็นผู้เท่าโอ้ยประจันโ อ, โอ้อ้าวเคอเห็นข้าวยังนุ่มดีประจันเนี่ยนั่นเป็นอย่างนั้น อันนี้เล่าให้ฟังคนโบราณท่านเล่าไว้อย่างนี้ในความฝันของพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลข้อที่สามส่วนข้อที่สี่นั่นก็ฝันฝันแปลกๆเข้ามาเองฝันเห็นอาจจไนมาโตเดียวสองปากท่านี้ภาษาบาลีว่าอัตเซงโซสิคาลีฝันเห็นอาจจไนมา โตเดียวสองปากวสันองค์พระบาทท่นานแถวพระญาหญ่ปัสแสงสาฟันเห็นเมื่อนอนคันยิ่งได้ฟันเห็นอาชนะมาโตเดียวสองปากายดากทั้งคนขี่มีแถบปองเดียวปากเนืองเขียวปากหนึ่งซ่อนซับปากหนึ่งกินทั้งงับบ่อิ่มเต็มเล่มเกี่ยงเกณฑมันทางนั้นคนพระเดียงหัวขอ้ออุปามาให้ผู้คนได้เป็นใหญ่ในสมัยขังนาคนว่ามีตังอยู่เทียงคำนับแต่หมื่นสิบปัมขย้ำใหญ่ ขย้ำ ไ, ไัยไหมกินชิน้นบะมีในโตสัวซ้มน้าหายได้เป็นนายสิงกะตุลาการทันผูน้ใหญ่ค่อยแต่ถามาไผ่หน่อยสองข่าวางจําเลยเขากระบอกดอกด้วยจําเลยโจดทั้งสองปองกินทั้งสินไหมบดใต่ตามทำจบโอ้พระองค์เห็นแล้วพ่ายรุ่นเกินพ่ะแมนแสนประซาภผยหน่อยเขาปล่อยอยู่ทั่วเมืองข้อ น, นี้ฝันเห็นหมาตัวเดียวมีสองปาก <c oughs> อาสนัยหมาตัวเดียวสองปากกัด กินเข้าไปใจใจทังท้องบ่อิ่มเต็มเอาข้าปากไหนกินปากนั้นมีก้นก้นเดียวท่านบอกว่าในอนาคตโ น, น้นจะมีบุคคลใจต่ําจิตสา ม, มากขึ้นคนเรานั้นชั่วก็จะเอาเหล่าก็จะกินบุญก็จะเอาเหล่าก็จะกินเทศก็จะฟังหนังก็จะดูไม่ใช่ปากเดียวซะแล้วไม่ใช่สองปากเลยที่เป็นสิบปากยกตัวอย่างง่ายๆจะเอาบุญจะจัดงานอา้าวประชุมกันแล้วผู้เท่าอยากจะฟังหมอลำ โอ้ย u, o, h, lum, au, อยากจะฟังหมอลำพู่เท่าอยากจะฟังเทศคนนมคนสาวอยากกินดูหนังออกเงินก็มาขันบ่อเลหนังบาทเดียวก็บบอกใครมีหนังหรือเปล่าออกปเป็นร้อยอีกพวกหนึ่งบอว่าขันบ่ได้เบิ่งมอลำมูบ่อเลยฟังมอสลำกรเนี่ยปาดเดียวกับบอกอกบุญนี่ก็ได้บุญเขาอยู่ที่มหอศลศพ บ, บันเทิงอยู่ที่เรายาทานนังเขาไม่ได้สแสวงบุญในเขตพุทธศาสนา้วยการไถ่ทานด้วยการาการักษาสิ้น้วยการเจริญอบรมจิตให้มันดีมันงามนี่ว่าทานใหมัยศีลใหมยภาวนาใหม่นะนะั้น แต่เขาจะเอาแต่ภาพพยนต์ไม่หมอลำไม่ค่ะไม่มีนังไม่มีหมอลำมันไม่เป็นบุญค่าควายกินไม่ลาบเลือดซอยแต่สกเล็กกันอย่างนี้เขาจึงถือว่าบุญเป็นบุญนอกเขตพุทธศาสนาความเป็นอุบาสกอุบาสิการเรียกว่าคุณสมบัติหประการมีศรัทธามีศีลอย่างนี้ไม่ถือมางคลเป็นขา่าวเป็นผู้เชื่อตั้ไม่เชื่อ อย่างอื่นทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วยอย่างนี้สแสวงบุญในเขตพุทธศาสนาทานนามัยสินนามัยภาวาน า, มาไม่สแสวง บ, บุญนอกเขตพุทธศาสนาแต่เขาไม่เอาเรื่องเรื่องเรื่องทานนิดหน่อยเรื่องสินก็ไม่ต้องพูดถึงเอาเป็นพอเป็นพิชีแต่เรื่องภาวานานั้นหางงาบเลยไม่ได้สนใจถือเป็นเรื่องสุดวิสัยไกลสุดขอบฟ้า น, นี้เป็นมากี่ปากกันเขาะจะเอาบุญที่เอาต้องลงก็ไม่ได้ต้องเอาทั้งสองอย่างบ้านน้อย จ้างนังมาให้คนนมคนสาวดูถ้าไมเอาเขาไม่พอใจแล้วก็ไปจ้างมอสล้ำมาให้ผู้เท่าแล้วเอาบุญกันสองวันเอาให้ผู้โอชวนผู้เท่าก็อยากจะฟังเทศอาจารย์สมภพเช่นก็ไปนิมนต์มาโอไปเห็นแล้วนุ่นอยู่เรียบฝั่งภูพานทางโน้นเมืฝั่งแม่น้ําคงนุ่นบ้านแถบแถบนั้นบนภูเขาเอาบุญข่าควายกันเป็นสิบตัวจ้างทั้งนังจ้างทั้งมอสลำ้ำแล้วกับนิมนต์นั่นอาจารย์สมภพไปเทศหรือพระเวสสันดรปารีธาตุว้า ไม่ใช่ปากเดียวไม่ใช่สองปากมันสามปากเพบุญก็จะเอาเหล้าก็จะกินเทศก็จะฟังนังก็จะดูไม่รู้จะเอาอย่างไหนอันนี้ที่เรียกว่าอาไสมาโตเดียวสองปากท่านบอกข่าแต่ า, า, าว่าเมื่อเป็นเช่นั้นคนทั้งบ้านทั้งเมืองก็กลายเป็นคนไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่รักศีลไม่รักธรรมไม่มีอุดมการเพื่อศีลเพื่อธรรมเพื่อสัออสงคมมีแต่ความเห็นแก่ตัวผู้ที่เป็นหลักเป็นใจเป็น สุลาการพูดตัดสินคดีความนั่งอยู่ในลงในศาลหรือเป็นทนายท่นแน่อะไรต่างๆกมันทั้งโจทกินทั้งจำเลยขอให้มีเงินมาเอาจะเอาช่วยเธออย่างโน้นอย่างนี้กินของโจดบ้างกินของจำเลยว้างจนหมดเมื่อเงินหมดแล้วใครมีเงินมากคนนั้นก็ชนะนี่จึงเรียกว่าม้าสองปากาสององค์เจ้าวของเราก็อย่าพากันไปเป็นม้าสองปากนะปาก็พล้ำลำพันธ์ถึงสินถึงทําแต่เสร็จแล้วจิตใจเป็นอีกอย่างหนึ่งเน้นไปที่ทางวัตถุทาง เงินเ ง, งินทองทองอะไรมากม า, กายกายกองกันขึ้นอย่างนี้ก็จะเป็นม้าสองปากอีกแล้วอยู่ในคราบผ้าเลื้องแต่ความเป็นอยู่นั้นเหมือนกับเทวดาฟ้าดเนมีรถเก๋งติดแอร์ขี่สบายสบายเว้ยชาวบ้านยากไรอย่างนี้ซึ่งมันไม่สมศักดิ์ศรีกับความเป็นพุทธบุตรลูกพระพุทธเจ้าผูกมักน้อยสันโดษว่าพุทธเจ้าของเราท่านเกิดใต้ร่มไม้ตายอยู่ใต้ร่มไม้แสดงทำอยู่ตามใต้ร่มไม้ทั้งทั้งที่ท่านเสด็จมาจากพระบรมมหาราชวังท่านจ้าดีแค่ไหนก็ได้ราชรถ ขอพระเจ้าประเซนที่โกศลโดยพระเจ้าพิมพิสารไอ้ท่านทำได้ถ้าท่านจะเอาแต่ท่านสมัครที่จะต้องเดินไปถ้าเขามารับทางกลับไปแต่พวกเราเนี่ยแม่นี่เป็นมา ก, กี่ปากกันลองคิดดูคนโบราณจึงบอกว่ากินมันทาง้ง น, mm hmm. น, นั้นพอเหตุนั้นความฝัดข้อนี้จะจริงเทศประการใดดังที่ท่านท่างหลายได้รู้ได้เห็นมาแล้วต่อมาความฝันข้อที่ห้าข้อที่ห้ากุมภ์โพ จะกุ้มโพกุมโพไปว่าหม่อไปว่าม่อม่อเขาบอกว่าไหายไงลนหหน่อยสีบอ่อเต็มแบบอย่างเงี้ยองพระบาทแจมเจ้าเน่าแทนบัรลั่งฟังเสียง ด, ดนตรีขับกอมระบำล่ําฟอดพระก็นอนเคลื่อนฝันฟันเห็นประหลัดต่างอย่างนี้ตัวนี้มีคําว่าสีคาลีขออภัยฟันเห็นปะลัดต่าง ฟันเห็นงวดตัวน้นอยๆงวดตัวน้นอยๆยังไม่พอเป็นแอวนเป็นไทเขาเอามาใส่ฟันเห็นประหลาดต่างฟันเห็นงวดบักด่างต่างแต่ยังน้อยๆเขาห่างใส่ไทแนวงัวดโบเคยใส่ไทกระบอกท่านเป็นมันก็ผ้าไทเข็นแลนไปตำต่อใหม่ไทก็ฮักทั้งงอนกระดอนเลยกขลดขี่ทางล่องเดินนั่งยอกๆต่อใหม่ทางขาควอมฟันนี่ก็ไปพายน่ะ ไต่ขอนเครื่องศาตว์ณพุทธมนุษย์ในแดนดินบ่อหิงตองตามห้องเขาอันว่ฟุ้งคนเถา่าสลาการสีป้าปอยมี่เด็กนุมหน่อยสิค่อยขึ้นนางเมื่อหน่อยก็เลยกเกิดเรื่องเป็นเหตุเที่ยงกันแนวต่างคนต่างกระเทียงกั น, น, น, กกนไปไผ่ไปมั่นบอคลองกันคันถา่าอุปมาคือดันเอางูหน่อยเขี่ยเกียเก้ยวบอเคยใส่หน่อยกระโดนหักใหม่ตำตึงตึงลงัลงวตัวใหญ่ๆไม่เอามาใช้งานไปเอางูตัวเล็กๆ มามาใส่ไถใส่เวียนมันก็เลยเต้นแต่การโยงโคกงบางไทยหักในที่จนมันลากไปไว้ก็ปลดแอกออกมามองดูวิ่งนี้เพมันทวันดีคขาบบว่าคนมีสินมีธรรมไม่มีไม่เอารัดเอาเปรียบชาวบ้านเป็นคนตั้งอยู่ในสินในธรรมดีงามคนไม่ค่อยอยากจะเลือกผู้หลักผู้ใหญ่มีสติปัญญามีเหตุมีผลคุ้นคิดละเอียดแล้วออเขาจะไม่เอามา เป็นผู้บริหารประเทศชาติเห็นว่าคนซื่อถือพระเจา้าเป็นคนโง่เง่าเตาล้านปีคนชั่วตัวกาลีคนอัปีจึงเป็นคนดังคนที่ถือทําเป็นผู้ตําต้อยพวกพาละลอยจะเฟื่องฟูชูศักดิ์รีคนที่ไม่มีศิลไม่มีธรรมกล็ล่อนปิน้งปอนนี่ลิ้ตะวัดถึงใบใบหูนู้นข้างหน้ากรอบหวานไว้ข้างนอกกบหวานไว้ข้างในคม อ, อย่างนี้แล้วก็เอามาเป็นจะเป็นนายเป็นผู้บริหารประเทศชาติรับสมัคร เลือกตั้งปูแทนลาสดสต อ, อ, อ, อ, อก็ดีซจซอซอก็ดีคนดีๆสมัครไปเธอได้ยากที่สุดไม่ได้เลยส่วนผู้ที่มีเงินมีทองเอ่ยไม่สนใจความเดือดร้อนบุญวายความสุขความทุกข์คนอื่นก็ให้กับไปเจ้าได้ทุ่มทนเอาเงินไปจ้างมากๆเดี๋ยวก็จะได้เป็นเสร็จแล้วก็ไม่สามารถบริหารประเทศชาติเข้าไปนั่งก็พยายามที่จะกินบ้านกินเมืองคอรับชั้นกันทุกอย่เพื่อความ จเจริญรุ่งเรืองแห่งตนของตนเองของตะกูลตนเองของพรรคตนเองอะไรต่างๆเหล่านี้บ้านเมืองจะเป็นอย่างไงก็ช่างมันเงินพันเงินพันทั้งหลายเปื่อยมาเหมือนกับน้ําแข็งส่งมาจากต้นสังกัดเป็นแสนๆมาถึงปลายทางเหลือไม่ถึงไมถึงหมื่นอะไรอย่างนี้มันก็เหมือนกับผลน้ําแข็งมาเปื่อยมาตลอดทางเลยนั่นเองมันเป็นอย่างนั้นความฝันข้อที่ข้าว่าอย่างนี้ ที่นี้มีอีกต่อมาข้อที่หกฟันเห็นโทสถาดเกลียงเป็นแผ่นทองแดงออกเป็นแสงแววววแผ่นทองแกมแก้วฟันเห็นแนวมาเหยียนเลียนกันขึ้นไปนัง่งองค์พระฟั่งผักแหล่าก็เลืยแหนมยนหัวคว่ำฟันเีตได้แก่ฟุงบักใบเป็นเงยในกรุงฝุงขนาดแนวขุนที่ตดำลงเป็นหน่อยพักกันค่อยดูถอดแง้มเมือยหนาพุนศาสนากูข่อยพ่อไก่ขอนที่มืดไก่ที่ทังแล้วในระวางหนัก กายมันเมนส่วนเห็นเป็นจยงไรกับบเวนเห็นไงจากมาผ่านพุทธการของหลวงสิหลวงไปพ้าสอยมีแต่ฟงคุณหน่อยสิกินเมี่งเนื่ยงไท่มีแต่ฟงบาปไปสิเป็นเจาผ่านนครอดละสะดอสิเดือดหลอดปานวานนอนน้ําทุกพบีนี่ามสิเศร้าเติมเต็ ม, ตมเรื่อยเื่อยเมื่องเองาหยงพอปานเอาเฟื่อยมาหล่อมน้ําประคองปองทีทีททนี้กันนี้บรร่ได้ข้างโอโอลาเนาะป่าสั่นเด้ มหมายว่าช่วงนี้ฝันเห็นถาดทองแดงที่เอามาขาัดแล้วสวยสดงดงามประดับด้วยทองคำแล้วก็แก้วเพชรนินจินดาเส็จแล้วพวกหมาขึ้นหมานั่งแล้วก็ถ่ายใส่รัฐสภาอันทรงเกียริก็ดีรัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ก็ดีจะถูกมองข้ามหลังจากนั้นก็พวกที่ดังกก่าแล้วที่ใหม่มีสินมีธรรมพวกที่เคยเป็นเพยพยเดี๋ยวนี้ อาวัยมาก็จะมีอาภิสิทธิิทพลอำนาจโอกาสบาทฑนารวมกันเป็นกกเป็นเหล่าเป็นหมู่เป็นคณะขึ้นมาขยำ ม, มานั่งบ้านนั่งเมืองไปแล้ ว, ลวในทางศาสนาก็เหมือนกันพระรงองค์เจ้าที่มีศีลมีธรรมอาจจะอยู่ไม่ได้อาจจะเข้าไปอยู่ในป่าเขาลําเนาภัยส่วนผูกบริหารหมู่คณะบางทีก็จะมีพวกอาัชชีได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินมาปกครองหมู่คณะส่วนผูกมีศีลมีธรรมนั่งในที่ประชุมก็เหมือนหัวตอไม่กล้าพูดอะไรออกมา เมื่อพูดออกมาก็จะถูกคัดค้านอย่างใหญ่หลวงเลยการบริหารประเทศฉากดีการบริหารศาสนาก็ดีถึงขนาดที่เหลวว่าธรรมะชั้นสูงอย่างเรื่องสุญญตาความว่างจากความยึดมั่นถือมั่นถึกตาตาความเห็นสิ่งทั้งหลายที่มันเป็นอย่างนั้นเองอวิตฐตาอานันยทาตาไม่ผิดไปจากนั้นอนันยตตาไม่เป็นไปอย่างอื่นเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาสูง จะไม่ค่อยสนใจาการอารัชีทั้งหลายจะไม่ค่อยพูดถึงถ้าใครพูดถึงเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาอะไรขึ้นมากลายเป็นคนอับ ป, ปี่เป็นคนไม่น่ารักในวงสังคมศาสนาค่อยไก่ข่อนดิเคืองมากเข้าไปถึงในลาวังนั่นกายหันศีลชวนเห็นเป็นยังไงแกบวเว่นเข็นไงจักมาผ่านพุทธการคล้องหลวงสิลวงไปผ่าช้อยนี่ว่าอย่างนี้มีแต่ฟูงคุ้นหน่อยสิกินเมืองเลี้ยงไผ่มีแต่ฟุงบาปไปสิเป็นเจ้าะผ่านานาค้อน พวกพระรงองค์เจ้าของเราก็เมื่อ น, นั้นอารัชีจะได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินหลังจากนั้นพวกปุถุชนจะตั้งกกตั้งเหล่ากันขึ้นมาประกาศตัวเป็นพระอาริยะเจ้าโอโ้โหทีนี้ใหญ่โตมีแนวร่วมมีบุคคลผูส้สนใจมากขึ้นโดยไม่ต้องบวกก็ได้เป็นพระอาริยะเจ้าได้แล้วมองข้ามดูทูกดูแคมพระรงองค์เจ้าที่ทน ปฏิบัติสิปฏิบั ต, บติทำที่ถูกขต่องดีงามเรียบง่ายสอดคล้องกลมเกินตามธรรมดาธรรมดาเขากับมองเห็นเป็นพวกยักพวกมารไปที่พวกอารัชีจะเกิดขึ้นมาเหมือนสุนัขขี่เลื่อนคือมันมนั่งอยู่บนถาดทองคํำน่าหวาดกลัวเหลือเกินไอความฝันข้อนี้จึงบอกว่าแม้แต่พวกที่ปกบ้าครองเมืองคุ้มย้อนก็ดีจะต้องกินป้านกินเมืองพวกที่ไปมีสินมีธรรมมิจะฝุงบะ บ, า บ, าบาับใบซีเป็นเจ้าผ่านนครลาดสะดอนซีเดือดล้นปานหวานนอดน้ํา ถอะว่ามียามเศร้าสีตืมเต็มเรื่องเลยเมื่อเข้าหนงพ่อปานเอาเฟื่อยมาหลอ่อน้ำประคองป่องที ท, ทีนี้กันนี้บ่ใดสีข้างโอโอละเนาะนีะ่เป็นอย่างนี้อันนี้ผ่านไปต่อมาข้อที่เจ็ดพระกระฟันพ่อใส่หนึ่งแข็งแรงพ่อตะวันแดงแดงคำล่งแรงคอยมันก็ง่อยสานฝัดหนันงริวเห็ดเสียก ข, ขาวพ่อได้เ้ยเอล้วคงลงไหวตาราง ทั้งซอนหนึง่งอยู่พนหมาผัดแลนมา ก, กัดพ่อใหญ่ไม่ใหญ่เอ๋ยหมอกระทุนท่วงขัดโหลดบ่เศ้าทางฟันพ่อแต่ขันไปได้หมากะ ก, กินเสือขา่วาวเล่ยบ่เหี้ยหงเยื่อได้ไปหนาทาไดคว่ำฟันนี่ให้ได้เปียบแก่พันละหนาการจักมากภายหลังบ่ซื้อตรงข้องเหลี้ยวขั้นผัวไปหาได้เงินมาแต่จ่ายทางเมื่อเป็นผู้หายเอาเวศสอนเสียงผัวเอาไปหาเกือกขว้สู้ใม่มาส้มพ่อใหญ่ไม่ใหญ่เอ้ย ห้อมเอาของพัวไปถนอมส้มไส้สูกอุะองค์เห็นแล้วแน่นิ่งเป็นตนาไนก้าละไพ่คัดดีมีแทบบอสงออกจากขันมันกโกงปอกปิ่นสินป์วิวหน้าคิงเป็นแต่ยิ่ยงพ่อยพ่อยบอหนําตามข้องท่าเจ้ามีแต่มั่วเมาเล่นหวยโป้ไผ่ทัวอเล่นหวยด้วยนะหวยโป้ไผ่ัวท่างพัวเป็นพูวหาทังเมียเป็นพูวใส่หาเด็กก บ, บอกยังเจ้าเอ๋ยเทวควันนี้ท่านก็จะเห็นแล้ว บางคนบางท่านไม่ได้อบรมมาอย่างดีงามเอารูปร่างอันสวยสดงดงามประดาับประดาแพรพันบางทีผัวได้เป็นครูบาอาจารย์เป็นเจ้าเป็นนายเมียเป็นลูกคนธรรมดาชาวบ้านแต่เป็นคนมีรูปร่างสวยงามหนอ่อยผัวก็เลยงอแงอนในที่สจอก็เลยได้มาเป็นมาสเตอร์ได้มาเป็นนายของผัวเลยรทีนี้กลายเป็นแม่คนใหม่ของผัวก็กลมหนา้ากลมตาหางานนะการทําแต่เงินเดททอง ให้เมียพอเงินเรือนออกเมียก็แต่งตัวสวยเช้งวับหลังจากนั้นก็เล่นไพ่นางเล่นไพ่เล่นไฮโลเล่นดำนี้วิจิจนั้นเก็เอาไปซื้อเครื่องแต่งตัวอวดชายอื่นให้ชอบตอนเองต่อไปกลายเป็นโสเพณีทางวิญญาณเพล่อไหลยักษ์คิ้วผับบางคนยิ่งไปกว่านั้น พัวไปนอนเบืองนอกซาอุดิอาราเบียต่างหนาต่างตาทางานทําการอยู่กลางทะเลทรายทำการเปลวแดดอันแผดเผาทำกาพรพายุทรายอันตลบอบอวนส่งเงินมาที่บ้านหวานความหวังว่าเมื่อฉันกลับมาแล้วคงจะมีความสุขกับเมียและลูกหักเลน้อยสร้างบ้านแปลงเรือนมีครอบครัว บ, บ้านหลังหนึ่งพอได้อยู่ได้นอนไม่ต้องพัดผาจากจอให้ อเฮิร์ห่างล้างลากันอยู่ด้วยความอบอุ่นกับลูกกับเมียกลายเป็นสวรรค์บนแผ่นดินบ้านหลังนั้นคงเป็นสวรรค์ผัวเป็นเทวาเมียเป็นเทวีลูกน้นอยเชื่อฟังคําออกมาเป็นเทพพระบุตรเทพพระธิดาแต่เสร็จแล้วความฝันนั้นก็สลายไปกับสายลมส่งเงินมาใจใจแม่เจ้าคุณอยู่บ้านเที่ยวแจกจ่ายของดีเอาเงินของสามีเทียวบําเลอใ ส, ส่โศกสางบรรุตระหนักหญิงตายเว่นสาดตัวหัวไปหลับจ่างเหนียพผั นางทั่วไปอะไรทํานองนี้มันก็วุ่นวายไปหมดความฝันขอน้อนี้ที่ฝันเห็นคนนั่งฟันเชือกหนังเอาหนังผูกมัดสับสมัยโบราณนะฟันเชือกหนังขูก่กล้วยทั้งไงเอามาขันเป็นกองเพลินหนังเหลยฟันลงไปฟันลงไ ป, งไปยาวๆก็ย้อนลงใต้ถุนหงายมือเล่งเสร็จแล้วมีนางสุนัขตัวหนึง่งมานอนอยู่ข้างล่างก็คอยมากินมากินฟันไปก็กินไปฟันไปกินไปอย่างเนี้ย ก็ไม่มีเวลาที่ยะยาวมันเป็นอย่างนั้นจังเปรียบเมือว่าผัวก็หามาเมียก็ใช้ไปเนี่ยม้ามันแหลนมากัดหมอก็ทนท่วงคัดโหลดบ่เศร้าทั้งฟันพอเดาหันไปได้มาก็กินเสื้อขาวเลยแง่เนื่ยไปบ่ไใดทั้งหน่ะท่าใดความฟันเนี่เปียบใดแกมูพันละยาการจะมาภายลังบ่อซื้อตรงของเหลียวขั้นผัวไปหาใดเงินมาแต่ใจทั้งเนี่ยเป็นผู้หายเอาสอนเสียงผัวไปหาเกือบกว่าสูบใหมมาส้ม ซื้อมอเตอร์ไซค์ขี่แปะแตะแปะแปะบอว่าไปเมืองนอกทางนี้ขี่กับชายจูไปดูนั่งดูละกรไปนางไอโว้ยอตีตนดูต้นศาสเด้มันเมืองไม่มีสินมีธรรมมันเป็นอย่างนี้ข้อนี้คงไม่ต้องพูดไปไกลท่านต่างหลายก็คงจะเห็นอยู่ทั่วไปส่วนข้อที่แปดนั้นก็ฝันอีกกุมโพฝันเห็นเมฆตั้งเขา่าเป็นงงนฝนลิ่นคนก็เอาหิหินตรงแลดูน้ำตามเดิมนั่นให ตามเดิมนั่นให้หน่อยสิเต็มก่อนไให้ไงข้าวหนี้เกิดเป็นไปบาดว่าให้ไงหล่นให้หน่อยผัดบ่อเต็มพันวาโซ่ที่เลือกแลวเหลี่ยมมีเต็มทองทางอดผักกอด ท, ท่องท่องถดสั่งมาจากตาดการจักมาไายหนาฝุงเสนาสันอาหมาัดผู้นี้จักได้กินมากหล่นสินจ่างรางวัลสุวรรณวาสันผู้หน่อยต่อยตําที่ทําการอุปมาเหมือนให้หน่วยบดเต็มขังน้า บรายามการใส่เกินไวววิว่งแลนมั่นหักแสนอยากเหี่ยนเพี้ยนส่างซอยหน่ายในข้าวนั้นจะมีโจรผู้หายซิ่งหยาดเอาของทั้งกระซองเศ้าวคุณปนมีตีปนคนเมืองขอนนอนตาบอเต็มหน่วยแต่แล้วการเก็บถววต่างแต่วันสิ่หอนโ้มถอนเขาใส่สางบ่ให้ยังอยู่ขงังทีบทินดินดอนทั้งอา กอนหน้าสวนหมวนลงบอมมีไหวผ้าสีเกือผ้าสีไหม่ใบยาขั้นชาฟินหอดขี้ดินบนนั่งขี่กระนั่มจี่ให้สรงหลวงจิงวาา่าะห้ปากอ้วงล่วงหลอกกินไตเื้ยดังไห้กินดีเมืองเหล้าข้าวนั่นอัศจรรย์นนติกำนี่ได้ผ่าขาวฝูงหมูเหล้าไทยพี่น้องฟังแล้วให้หำฮ้อนแน่ถอนคนโบราณว่าอย่างเงี้ยตอนนี้จะกินกันเจ็บหายละเอามีทะเลกินกันข้าวไฟ ภาษีอะไร okay. okay. ต่างๆทําอะไรจอกอะไรแจกมาจาตต้องเสียค่าการเสียค่าภาษีธรรมดาธรรมดานี่มันไม่เป็นไรมันดีซะอีกว่าพุทธเจ้าท่านบอกว่าราชพรีราชพีสงเคาะพระราชามาถึงการเสียภาษีอากอนต่างๆเป็นเงินบูรณะบำรุงแผ่นดินเลือจากเอามารวมกันกลายเป็นเงินเดือนของขราชการหลังจากนั้นเป็นเงินส่วนกลางพันธุ์ออกมาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองที่นี่ตอน การพัฒนาประเทศชาตินี้สิให้ไงก็สิห ล, ล่นให้หน่อยจางบออง่อเต็มพวกรัฐมนตรีเอ่ยอะไรต่ออะไรเจ้าหน้าที่ก็นี่ผููที่เป็นเจ้าของโครงการควบคุมครมาการบริหารโครงการต่างๆเงินพันออกมากลายเป็นเงินผานกิงกั น, กนที่ห้ายวายโบดถ้าจ้างเอกชนทำบอ่อขาทำธรรมดามันทําได้มากแต่พอให้ทางเจา้าทางนายพากันทําเองถ้าหากไม่มีสินมีธรรมอีตรงนี้ล่ะ มันจะกินกันที่ภายวายวอดไห้ใหญ่หล่นไห้หน่อยบ่อเต็มพวกนายผู้น้อยผู้วิ่งเต็มไปไปดูไปแลโครงการอะไรต่างๆเจ้าของโครงการเนี่ยได้กินเหมือนกันจะกินน้อยตัวที่นั่งอยู่ข้างในห้องแอร์ปรับอากาศอะไรต่างๆทั้งนั้นสั่งแก๊กเซนก๊อกออกมาในฟ้าก็ไปเป็นแสนเป็นล้านไม่ต้องออกเรียกออกแรงทุกอย่างอยู่ที่ฉันเองฉันรับผิดชอบไหวงั้นเธอต้งหลายจงพา ก, กันทําไปถ้าอย่างนี้ ก็เรียกว่าห้ยง่หล่น no ห้หน่อยบ่อเต็มภาษีที่เรียกเก็บออกไปก็ไปเป็นเงินเดือนเงินดาวหลังจากนั้นก็มาเป็นเงินส่วนกลางพัฒนาประเทศชาติพอวนออกมาอีกทั้งแต่เงินเดือนแล้วยังไม่พอภาษีลงลงมาเก็เกิดเป็น transformation คือแปลรูปเข้ากระเป๋าอีกสมมุติว่าถานน้ายนี่งาประมาณลงไปสักห้าแสนบาทถนนสายนี่กิโลนี่ห้าแสนบาทใส่ลูกหลังเข้าไปประมาณสัก สองประมาณสักสองหมืนคิวอย่างเนี้ยหรือประมาณสักหมื่นคิวเอาแล้วคุณจะให้ผมกี่เปอร์เซ็นต์บอกผู้รับเหมาอย่างนี้เอาไปสามสิเปอร์เซนต์สามสิเปอร์เซ็ตคุณลงไปเลยสามพันคิวอย่างเนี้ยคนนั้นก็ลงไปสามพันคิวแทนที่จะใส่เข้าไปถึงหมื่นคิวอย่างนี้ยฝนตกมามันจะไม่ได้ท่วมไม่ได้ไหลนิแต่ที่สามพันคิวก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวชั้นเสร็จให้แต่เสร็จแล้ว ส่วนเงินนั้นต้องมาแบ่งกันกินอันนี้ที่เรียกว่าให้ใหญ่หล่นให้หน่อยบอ่อเต็มคือขอรับชั้นชอราดบางหลวงมันจะเกิดขึ้นให้เราได้คิดกันตั้งหลายลองพิจารณาดูก่อนแล้วกันดูอะไรทั่วไปการกระทําของพระทรงองค์เจ้าเราก็เหมือนกันในบ้านในเมืองเนี่ยนในวัดวาสาตนะอาหารวางข้าวสวดจันรผ่านผ้าผ่านงาปูเอาวะข้าวต้ม บ, บอ่อหยุ่ซิกแล้วแต่เหิงตุ่มเปิดเปิเปเปเปเปงของเพลนงาทานสวดปันการ์ผ่านผ้าผ่านงาปู ของยาปู่ยาท่านของเจ่าท่านเจ้าอาวาสหัวหน้าสมภารเต็มเชื่งองดูของเก็บผู้ที่นี้ที่วัดนี่นะเราฉันกันอยู่ในบาทเอาใส่ภาชนะอันเดียวแล้วก็ใส่รถเข็นไปเกันไปถ้าวางวางอาหารน้อยเนี่ยไม่เป็นห่วงแล้วกันกลัวจะสวดการผ่านผ้าผ่านยาปู่กลัวเน้นน้อยๆจะไม่มีโยบไม่มีเกินบางครั้งเราตักเอาน้นน้อยต้องลุกไปคอยดูหางแถวว่าถึงกันไหม เป็นห่วงเหลือเกินเพราะความเห็นแก่ตัวมันไม่เคยปราณีใครทั้งนั้นแต่มีความเห็นแก่ตัวเข้าไปวงการไหนมันเกาะได้ชิปหายวายว่ดกันละ่ะเพราะเหตุ น, นั้นไอ้คากล่าวที่บอกว่าให้ใหญ่ล้นให้หน่อยบ่อเต็มนั้นมันจะเดือดร้อนคนทุกยิ่งจะทุกข์ลงไปคนร่ารวยยิ่งจะร่ำรวยมากขึ้นประกาศเรียกร้องหาความเป็น Nick Ste ีอินดัสเทรียลคัมที่ ในความเป็นนิกนั้นก็คือเศรษฐีไม่กี่คนที่มีรายได้กำไรเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วอาจจะเป็นสามร้อยเปอร์เซตปีที่แล้วอาจจะได้สักร้อยล้านแต่ปีนี้อาจจะได้เป็นพันน